บทที่53สบสงเคราะห์เพื่อนเก่าครูชินลากลับไปนานแล้วแต่พระบทใหม่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมกายสงบนิ่งหากสมองว้าวุ่นเพราะ ใช้ความคิดอย่างหนักท่านเริ่มจะเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อ ว, ว่ากรรมนั้นมีผลมีวิบากดังที่โยมยายพร่ำสอนอยู่ทุกเมื่อเชื่อ ว, วันแล้วเลยอดไม่ได้ที่จะนึกไปถึงบาปกรรมที่ท่านทาไว้เมื่อตอนเป็นเด็กภาพเหตุการณ์ในครั้งอดีตปรากฏชัดเจนในห่วงความคิดตั้งแต่ภาพต้มเตาตอนไก่ยิงนกตกปลา หักขานกหักคอนกขโมยเงินยายซึ่งทุกเรื่องทุกตอนมีตัวท่านเป็นผู้ก่อกรรมทำเข็นโดยเฉพาะเรื่องตอนไก่ซึ่งท่านไม่ได้ตอนเฉพาะไอ้โต้งของตัดชุกเท่านั้นด้วยว่าในเวลาต่อมาได้ไปตอนไก่ที่บ้านแม่จวนซึ่งท้งเล้ามีอยู่ยี่สิบตัวท่านจับมันตอนหมดทุกตัวได้รู้เท่าไม่ถึงการ แล้วมันก็พากันตายยกเล้าเป็นเหตุให้ท่านถูกโยมแม่อวยชัยให้พรไปหลายวันบา ป, รปรกรรมเหล่านี้ท่านคงจะต้องชดใช้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเหตุการณ์ที่พบเห็นในวันนี้ทำให้ท่านรู้สึกสลดใจภาพที่นางแป้งตีสุนัขจนตายและปัญหาที่ครูชิ้นต้องเผชิญในปัจจุบันอันเป็นผลพวงมาจากการกระทาของแกในอดีต เรื่องราวเหล่านี้ทำให้ท่านต้องการติดตามผลอยากรู้ว่ากรรมจะมีผลวิบากจริงดังที่โยมยายสอนหรือไม่คิดได้ดังนี้ท่านจึงลุกขึ้นไปหยิบสมุดมาจดบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานบันทึกทั้งเรื่องของนางแป้งครูชิ้นและของตัวท่านเองซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่ต้องจดบันทึกมากกว่าเรื่องของสองคนแรกรวมกันสอีก ภิกษุนมตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านจะไม่สร้างกรรมทำเวรกับผู้ใดอีกไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์สงน้ำเสร็จพระเจริญกำลังจะทำวัดสวดมนต์ก็พอดีกับนายจำรดขึ้นมาบนกุฏิหน้าตาท่านบ่งบอกว่ามีธุระร้อนเขากราบปลกปลกสามครั้งละล่ำละลักว่า หลวงพี่ช่วยผมด้วยนางมาลิแย่แล้วโยมาลิเป็นอะไรไปละ่ะท่านถามอคันตุ ก, กะนางมาลิคือภรรยาในจำรัดซึ่งคนทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกับท่านสมัยยังเด็กท่านเคยแกล้งเด็กหญิงมาลิจนถูกนางเมาส์ตามมาดาถึงบ้านแถมโยมยายยังเคี้ยนซ้ำเสิอีกมันคลอดลูก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 ผมก็เลยนึกถึงหลวงพี่อาตมาไม่ใช่หมอนะโยมจุบทำไมไม่ไปหาหมอให้เขาช่วยละ่ะท่านปฏิเสธอย่างนิ่มนวลใช่สิครับเขาลือกันว่าท่านเป็นหมอตำแย่ฝีมือหนึ่งของตำบลบางม่วงหม่เคยทำคลอดให้ลูกสาวป้าจิตเมื่อห้าปีก่อนเป็นความจริงใช่ไหมครับช่วยผมหน่อยเถอะนึกว่าสงสารนางมะลิมัน ยังไงก็นึกถึงความหลังสมัยเราเป็นเพื่อนกันนายจำรัดอ้อนวอนพร้อมเอ่ยถึงความหลังถ้าเช่นั้นก็ต้องลองทำดูนะคงไม่มีอันตรายที่บ้านโยมีเกลือกลับมาขามเปียกไหมท่านถามเพื่อนเก่ามีครับบ้านผมหรือบ้านใครๆก็มีทั้งนั้นนายจำรัดตอบเกินคำถาม งั้นก็ฟังนะให้เอาน้ำมะขามเปียกปั้นโตๆโตมาสองปั้นเกลือเม็ดสองช้อนโต๊ะใส่น้าฝนลงไปหนึ่งขันขยำมะขามเปียกกับเกลือและน้ำให้โยมมะลิดื่มสองชามเดี๋ยวก็หายจำได้หรือเปล่าล่ะจำได้ครับมะขามเปียกสองปั้นเกลือสองช้อนน้ำฝนหนึ่งขันในจำรัดทบทวน นั่นแหละขยำให้เข้ากันแล้วก็ให้โยมมะลิดดื่มสองชามประเดี๋ยวก็รู้ผลรีบกลับไปทําตามที่อาตมาบอกได้แล้วขอบคุณหลวงพี่มากครับเขากราบท่านสามครั้งแล้วรีบกลับมายังเรือนของตน หลวงพี่ท่านว่ายังไงบ้างหมอตาแยตะโกนถามจากในเรือนเมื่อเห็นเจ้าของบ้านเดินตรงเข้ามาท่านบอกให้เอามะขามเปียกขยากับเกลือให้กินสองชามใส่น้ำฝนด้วยเขาบอกเออจริงค่าลืมสนิทเลยนั่นแกจัดการไปหามาเดี๋ยวข้าจะทำให้มันเองเขาจัดการทำตามที่หมอตาแยสั่งรันได้ดื่มน้มามะขาม กับเกลือเข้าไปสองชามนางมะลิรู้สึกปั่นปวนในท้องสักครู่ก็เกิดปวดอุจจาระอย่างแรงจึงบอกสามีว่าทิดจุช่วยพาฉันไปส้วมหน่อยฉันปวดหนะักนายจำรัด จ, จึงต้องอุ้มเมียสาวลงเรือนไปเพราะห้องสุขาอยู่ไกลจากตัวบ้านประมาณแปดวานางมะลิถ่ายของเสียออกมาจนหมดใ้หมดพุง รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวขึ้นท้องที่โตกลับยุบลงออกจากซ่วมแล้วนางก็บอกสามีว่าท้องยุบแล้วละทิดจุกหลวงพี่ท่านเก่งจังเลยนะนี่ถ้าไม่ได้ท่านช่วยฉันคงแย่นายจำรัดอุ้มเมียสาวกลับไปที่เรือนตามเดิมหมอตำยากำลังสารวนกับการจัดเรือนไฟเพื่อที่แม่ลูกอ่อนจะได้อยู่ไฟ ให้หมดลูกเข้าอู่โดยเร็วคนเป็นพ่อครั้งแรกในชีวิตเปิดกระจมดูทารกเพศชายที่นอนนอนหลับสนิทอยูบ่บนเบาะในกระดงมีพ่อห่มปิดร่างกายมิดชิดเหลือแต่ดวงหน้า น, น้อยๆโผลออกมาลูกพ่อช่างหล่อเหลาเหมือนพ่อไม่มีผิดไว้เจ้าโตอีกหน่อย พ่อจะอุ้มไปหาหลวงลุงเจริญให้ท่านช่วยตั้งชื่อให้นะลูกเย็นวันหนึ่งทิดสอนขับเกวียนมารับพระเจริญที่กุฏิเพื่อไปเยี่ยมโยมารดาซึ่งกำลังป่วยแม่ให้ผมมานิมนต์ท่านไปเทศโปรโดแกนหน่อยแล้วผมจะ มาส่งก่อนข้ามทิศสอนบอกพระนุมซึ่งมีศัก์เป็นน้องภรรยาตนถ้าเช่นนั้นขากลับอาตมาขอแวะบ้านโยมยายด้วยนะโยมพี่ท่านบอกพี่เขยได้ครับหลวงพี่เขาบอกครใูใหญ่ที่สอนก็พาพระนุมมาถึงบ้านแม่ยายซึ่งตัวเขาและครอบครัวได้อาศัยอยู่ด้วยนางจะรวยหาน้ามาประเคน และสอนลูกชายวัยสองขวบเศษให้กราบหลวงนา้าพี่จำเรียงกับทิศพุธเพิ่งกลับไปเมื่อครู่นี้เองประทุมกับประเทืองมาเยี่ยมยายด้วยหล่อนบอกพระน้องชายแม่จวนเห็นพระลูกชายก็ดีใจรีบเปลี่ยนจากท่านอนเป็นลูกนั่งแล้วกราบพระหนุ่มสามครั้งโยมแม่ป่วยเป็นอะไรหรือจ๊ะท่านถามแม่จวน ก็ปวดเสียนเวียนเกล้าเหมือนเคยนั่นแหละสงสัยจะกลับบ้านเก่าตามเหรียญไปอีกคนละมั้งแม่จวนพูดปลงๆแม่อย่าพูดอย่างนั้นสิเกิดเป็นจริงๆข้าสงสารยายแกลูกสาวคนโตตายแกก็เสียใจพอแล้วถ้าลูกสาวคนเล็กมาตายอีกข้าว่ายายคงทรมานแย่นางจะรวยบอกมารดา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 อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอาตมาอยากให้โยมแม่ทำตัวสบายๆเหมือนโยมยายจะได้อายุยืนในความรู้สึกของพระใหม่ท่านรู้ว่าโยมยายปลงอะไรๆ ไ, ได้มากได้มากกว่าโยมมารดาอาจเป็นเพราะโยมยายเข้าถึงธรรมนั่นเองพิทพองกลับจากซื้อยาที่ตลาดครั้นขึ้นเรือนมาก็พบพระลูกชาย ก็ตรงเข้ามากราบท่านมาถึงตั้งแต่เมื่อไรครับเขาถามสักครู่เห็นจะได้โยมพ่อไปไหนมาหรือไปซื้ อ, อยาให้โยมแม่เขาท่านช่วยเทศปโปรดหน่อยเถอะอโยมหนะจนปัญญาแล้วทิดพองฟ้องไกล่ไอาตมาว่าส่งโยมแม่ไปอยู่กับโยมยายน่าจะดีให้โยมยายช่วยเทศแทน เพื่อโยมแม่จะได้หายคิดมากพระลูกชายแนะนาเออนี่แนะแม่จวนพูดถึงเรื่องนี้ฉันมีเรื่องจะปรึกษากับแม่จวนสักหน่อยเมื่อกี้เนี่ยฉันฟังเขาพูดกันที่ตลาดเขาว่าหมูนี้เสือชุมเลอะเกินล้นกันไม่เว้นแต่และวันตอนนี้พแพล่กระจายเข้ามาถึงตาบลม่วงหมูแล้วนะเราหาทางย้ายไปอยู่ตลาดปากบางกันดีไหม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 จึงไม่ใช่แก่ค่าเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็ต้องพาไปด้วยสิจะทิ้งไว้ได้ไงฉันคิดว่าให้อยู่ด้วยกันกับเรานี่แหละฉันตั้งใจจะซื้อห้องแถวสักสองห้องห้องหนึ่งให้จะรวยกับทิศอนอยู่และก็สำหรับไว้เครื่องดนตรีด้วยส่วนอีกห้องหนึ่งก็มีแม่นางจำแรง ฉันแม่จวนและเมื่อท่านศึกก็จะได้มาอยู่ด้วยกันเขาพูดกับพระลูกชายด้วยแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อละคุณภรรยาถามก็เพราะอย่างนี้นะซีฉันจึงต้องปรึกษากับแม่จวนถ้าเราขายบ้านเก่าไปซื้อใหม่ก็คงไม่สู้ะไรนะักแต่นี่บ้านเก่าจะเก็บไว้บ้านใหม่จะซื้อ เลยต้องมาคิดกันว่าจะทำยังไงฉันจะต้องเอาสมบัติเก่าออกขายกระมังเอาอย่างนี้สิโยมแม่ทองที่อาตมาฝากไว้อาตมายกให้โยมแม่นำไปขายเอาเงินมาซื้อห้องแถวน่าจะพอพระเจริญบอกมารดาจะดีหรือมันเป็นสมบัติของท่านนะโยมอยากให้ท่านเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าไปมีครอบครัวจะได้เก็บไว้ให้ลูกหลาน แม่จวนออกความเห็นไม่เป็นไรหรอกโยแม่ถึงเวลานั้นอาตมาค่อยหาเอาใหม่ท่านไม่บอกหรอกว่ายังมีทองที่ยักยอกมาจากป้าเหรียญอีกสามสิบสองบาทถ้าเช่นนั้นเราซื้อในชื่อของท่านก็แล้วกันแม่จวนว่าดีไหมดียุติธรรมดีเงินของท่านก็ควรจะเป็นชื่อของท่านเราจะได้ไม่กระดากใจ ว่ามาเบียดเบียนลูกแม่จวนเห็นดีด้วยกับสามีถ้าฉะนั้นโยมพ่อก็ไปจัดการได้เลยอาตมามอบอำนาจให้ทุกอย่างประเดี๋ยวขากลับจะมาแวะเยี่ยมโยมยายจะได้บอกเรื่องนี้ให้ทราบถ้าโยมแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากอาตมาก็เห็นจะต้องกลับเสียทีนิมนตะครับท่านโยมแม่ ไม่ได้เป็นอะไรมากเขาก็สามวันดีสี่วันไข้ทั้งปีนี่แหละทิศพองบอกพระลูกชายอาตมาว่าเป็นจิตใจต่างหากโยมแม่ชอบคิดมากก็เลยวิตกกังวลเมื่อใจไม่สบายก็มีผลต่อร่างกายทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยพออยู่กับโยมยายก็คงจะดีขึ้นท่านคาดหวัง โยมเองก็หวังอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจนักว่าจะปลอยอายุยืนตามโยมยายหรือว่าไปทาให้โยมยายอายุสั้นตามโยมกันแน่แม่จวนยังไม่คลายกังวลทิพพองจึงพูดตัดบทว่าเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยว่ากันอีกทีฉันว่าแม่จวนอย่าปาริวิตกไปก่อนเลยนะทําใจให้สบายอย่างที่พระท่านบอกดีกว่า นางจโรยกำลังอาบน้ำให้ลูกชายครั้นเห็นพระเจริญเตรียมตัวกลับจึงตะโกนลงไปบอกสามีซึ่งกำลังจักตอกอยู่ใต้ทุนเรือนทิศสอนหลวงพี่ท่านจะกลับแล้วได้ยินภรรยาบอกเช่นนั้นทิศสอนก็ละมือจากการจัดตอกเดินไปจูงวัวสองตัวมาเทียมเกวียนเห็นพระหลานชายเดินขึ้นบันไดามา ยายดีใจจนแทบจะวิ่งออกมาต้อนรับแต่ไวและสังขารไม่อำนวยจึงต้องส่งเสียงมาแทนนิมนต์ข้างในเลยท่านโถอุตส่ามาเยี่ยมคนเฒ่าคนแกเมื่อท่านนั่งลงเรียบร้อยยายก็ก้มลงกราบเบญจางข้าประดิษฐ์สามครั้งเสร็จแล้วจึงร้องเรียกหลานสาวนั่งจำแรงเอ้ยทำอะไรอยู่หาน้ำหาท่ามาถวายหลวงพี่หน่อย เอามาให้ทิศซอนด้วยยายเรียกหลานเขยว่าทิศซอนตามลูกหลานท่านไปยังไงมายังไงถึงมาเยี่ยมโยมละเนี่ยยายถามโยมพี่เข้าไปรับอาตมามาเยี่ยมไข้ยโยมแม่อาตมาก็เลยแวะเยี่ยมโยมยายด้วยพระหลานชายบอกและแม่จวนเป็นยังไงบ้างยายถามถึงลูกสาวคนเล็ก ก็ไม่มีอะไรมากหรอกโยมยายโรคคิดมากนั่นแหละอีกหน่อยได้มาอยู่กับโยมยายคงหายโยมพ่อจะย้ายบ้านไปอยู่ตลาดปากบางเพื่อหนีโจรผู้ร้ายเห็นว่าปร่นกันแทบทุกวันจะพายโยมยายไปอยู่ด้วยท่านบอกกล่าวดีเหมือนกันยิ่งหลานไม่อยู่โยมก็ใจคอไม่ค่อยดีอยู่กันแต่ผู้หญิง ไม่น่าไว้วางใจไปอยู่ตลาดปากบางก็จะได้ไม่ต้องห่วงยายพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยใครจะไปอยู่ปากบางหรือยายนางสาวจำแลงยกน้ำมาประเคนพระน้องชายแล้วก็ได้ยินยายพูดข่านี่แหละยายตอบอ้าวและจำแรงจะอยู่กับใครและใจยายจ๊าหลานสาวทําเสียงหวาน อยู่กับนางด่างกับนางดำนะสิยายแกล้งประชดแล้วใครจะหุงข้าวให้ยายกินละจ๊ะเดี๋ยวหลานข้าศึกออกมาก็หุงให้ข้ากินได้เองอย่าห่วงเลยข้าจะย้ายก็ต่อเมื่อหลานข้าศึกแล้วโยมพี่ยังดื่มเล่าอยู่หรือเปล่าพระใหม่ถามพี่สาวยายเป็นคนตอบแทนว่าทำไมจะไม่ดื่มลาทาน มันบอกยอมตายเสี่ยงดีกว่าให้อดเล่ายายว่าจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วกรรมใครก่อกรรมมันนะท่านนะมันอยากตายอย่างอีหมาป้าของมันก่อช่างประไรยายหมายถึงนางเหรียญลูกสาวคนโตที่ยายสงสารแกมสังเวชจะกินเล่าหรือไม่กินมันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละ ย, ยายนางสาวจำแรงพูดตัดบท